มันดีคิดว่าจะไปสู้กับโลกได้มออกไปแล้วก็ยังไม่ไปถึงไหนเลยความชั่วความทุกเกิดขึ้นไปบ่อยเมื่อมันมีความทุกความทุกเกิดขึ้นจึงค่อยแก้ไขอันนั่นก็เงินหาเช่าจินคำหาวันนี้จินวันนี้ถ้าจะเป็นคนอาชีพมีฐานะก็ยังจนอยู่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 คือน้ำให้ติดตัวเราไปไปเรื่องกันตลอดวันกลับมาตอนเย็นมาอาบอีกมาล่างบาปไปนอนเวลานอนไม่ได้ทําบาปเวลาตื่นขึ้นมาก็ไปปูุกพระเจ้าคือแม่น้ําำคงคาอาบน้ำเรียพระเจ้าติดตัวปอีกเป็นวันวันท้วนไปการนอนวอนการการทาพิธีต่างๆเทพเจ้าไม่รู้จะเอาองไหนมากมายเหลือเกินใครเชื่ออะไรก็สร้างขึ้น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 ปัะชาเวตนาแค่สัมผัสแต่ว่าก็พอได้อยู่เห็นอะไรก็ไปทำเฉนั่นไม่ต้องทำได้ไหมให้มันเสร็จไปซะรู้แล้วเท่านี้ก็พอมันถูกก็รู้แล้วมันถูกก็รู้แล้วมันพอใจก็รู้แล้วมันไม่พอใจก็รู้แล้วไม่ใช่ไปทำอะไรมันก็ง่ายมายแต่เราก็ทำยากเพราะทำไม่ถูกขั้นตอน อังทีก็ต้องไปอดเวลามันโกรธเวลามันทุกข์ไปอดไปทนต้องหลบต้องหลีกต้องละต้องเว้นไม่เห็นเฉยเลยเป็นการดีห น, นีไปหลับหูหลับตาเมื่อจาเป็นต้องเห็นให้พูดเียเลยเป็นการดีก็ไปแช่แบบนั้นเมื่อจาเป็นต้องพูดก็พูดแบบมีสติเป็นการดีก็มีแต่การบ้านถ้าเราทำให้เป็นเจตจา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 รู้จักหลบรู้จักดีการเคารพไม่ใช่กลังเกียดการไปเสียดไม่ใช่หลังเกียจเราเคารพเราไม่ทําเหมือนเขาเราเคารพเราทําเหมือนเขาเลือกได้เลือกทำเลยในโลกนี้มีสิ่งที่ให้ให้เราเลือกเยอะแยะประสรบการณ์เยอะๆมากมายก็อยู่ที่เราแท้ๆละ่ะการปฏิบัติธรรมนั้เป็นกบเป็นกรรมขึ้นมาแต่ว่าวิธีเนี่ยวิธีที่สร้างความรู้สึกตัว ถ้าทำไม่ถูกเป็นทุกข์ับปฏิปทามกาก็ยากเหราะนเราไม่รู้อะไรที่มันควรจะรู้ไม่รู้แต่พิสตาเือไม่ค่อยใส่ใจมันก็ก็ยากอยู่พอเราทําลงไปสร้างจังหวะลงไปเดินจังกรมลงไปอะไรมันลุมเข้ามาไปแก่ไปแก่ความคิดบ้างควมทุกข์บ้างกวามง่วงเหงาหอนอนบ้างปัญหาที่มันเกิดขึ้นคอยจะแก้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 เอาชนะกันด้วยกําลังมีปัญญาหาฆ่ากันด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งนี่มันไม่เป็นปขนาดนั้นคนเราน่าสงสารน่าสงสารกันโอ้คนอินเดียก็เหมือนคนไทยคือมีขาสองแขนสองมีกายมีใจมีความอะไรเหมือนเหมือนกันไม่ควรจะไปคิดแบบนั้นน่าสงสารกันไม่ต้องฆ่าไม่ต้องสร้างสตาวุธมาผาดผานกันชาบ้านที่นั่น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 ไม่ควรเป็นอย่างนั้นมาสงสารกันนะเอาเมตตาสงสารกันมันก็มายากหนุ่มเปลี่ยนวัฒนธรรมเมตตาต่อกันมามีสติเห็นอกเขาอกหลูกันน่าสงสารจริงคนเรานะขอให้ที่นี้เป็นที่ปุดป่วยเรื่องนี้ให้มากที่สุดละเรามาที่นี้ให้เรามาปวดปย่ยเหมือนกับอิสิปัตนะเบลุคาถายวันประเทศอินเดียเป็นที่ปุดป่อยสัตว์ทั้งหลาย